ไปเรียนตอนจบแล้วค่อยกลับมาเรียนแบบปฏิโลมหน้าตารางอะ่ะก็เริ่มอา่าเริ่มอ่านตารางหน้าแรกอ่ะอนถ้าเราจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอริยศาสตร์ดีเนี่ยนะการที่เอาปกินณกะ คือข้อรายละเอียดโดยประการต่า ง, างๆเกี่ยวกับอริยสัจเนี่ยจะช่วยทําให้เราศึกษาอริยสัจอย่างเข้าใจเนี่ยท่านพระธรรมทั้งหลายที่มีความลึกซึ้งเนี่ยถ้าว่าตรงๆโดยคําเฉยๆเนี่ยบางท่านอาจจะมองไม่เห็นความลึกซึ้งแต่เมื่อเอาในยะหรือเอาวิธีการต่างๆมาจับมาเป็นเครื่องวัดเราจะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะเลย โดยเฉพาะอาริยศัสต์เนี่ยนะถ้าเอาหลักการโดยประการต่างๆซึ่งท่านวินิจฉัยไว้ 10, 12อย่างนะนะถ้าเป็นที่อื่นก็12อย่างตรงนี้ก็ผู้รวบรวมก็ยกเอามา15 1หหัวข้อนะครับในการวินิจฉัยถ้าเราผ่านการพิจารณาทั้ง15หัวข้อใหญ่นะนะ จะทำให้เข้าใจอริยสัจได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอริยสัจซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีสี่ประการคือ1ทุกขาอริยสัจสองสมุทัยอริยรสัจสนิโรธอริยรสัจสนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจนั่นะหรือชื่อเต็มๆก็ว่าวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจนั้น ก็เราเริ่มมาศึกษาโดยการวิเคราะห์นะลองวิเคราะห์ศัพท์ดูว่าอย่างเช่นทุกขศัพ์เป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรทุกขศัพท์นี่อย่างที่เรารู้กันว่ามาจากคําว่าทุบวกคําว่าขังนะทุบวกขังก็ซ้อนก็ไก่เข้ามาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าทุขังนะนะโดยศัพท์นั้นทุนี่แปลว่าหน้าเกลียดขังนี้แปลว่าว่างเปล่าเหมือนอากาศ ทุกหน้าเกลียดขังว่างเปล่าไม่ใช่ห้องขังนะพลเรือนกันแต่ว่าขังในที่นี้หมายถึงความว่างเปล่าประดุดอากาศดุดช่องว่างอนะนั้นรวมซ้อนกอไก่เข้ามาคือ ก, า ก, า ก, า ก, กของ้งเนี่ยถ้าขอไข่อยู่ข้างหลังนะซ้อนกอไก่ได้ตามหลักไวยากรณ์เข้ามันก็เรียกว่าทุกขังก็เลยแปลว่าหน้าเกลียดก็บอกว่าคําว่าทุกขังเนี่ยแปลว่า น่าเกลียดบวกว่างเปล่าจะเป็นยังไงก็คือเท่ากับว่าหน่าเกลียดเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอุปัตถวะไม่ใช่น้อยนั่นนะก็อย่างที่รู้กันว่าตัวทุกทุกคืออะไรคือชาติทุกขชราทุกขเป็นต้นใช่ไหมชาติชารามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสนี่เรียกว่าตัวทุกข์หรือโดยย่อคือขันห้านี่ขันห้าเหล่านี้ที่เป็นทุกเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งอุปัทถวะอันนี้พูดแบบไพโรอนะ ถ้พูดแบบไทยๆเลยเขาบอกเป็นที่ตั้งแห่งอุบาทนั่นนะก็ถามว่าสะเดาะเคราะ์เอาอะไรไปสะเดาะเคราะห์เอาอะไรไปแก้อุบาทก็เอาขันห่านั่นแหละขันห่านตัวอุบาทมากมายเลยแหละอุบาทสารพัดชนิดเกิดที่ขันห่านนะอุบาทบางอย่างลงที่รูปอุบาทบางอย่างลงที่นามโรคทั้งหลายแหละเรียกอุบาททางของรูปประขันใช่ไหมถ้าเป็น โทสะเจตสิกนี้อุบัติทางอุบาิของนามอ่ะนะปล่อยให้โทสะเจตสิกเกิดบ่อยๆนี่น้มเสียหายหมดอ่ะนะถูกเผาเกลี้ยงหมดอ่ะปันกะะ็เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งอุปัตถวะเป็นอเนกประการเป็นที่ตั้งแห่งความเสียหายไม่มีที่สิ้นสุดคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขันห้าเนี่ยนะมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยไม่มีอะไรปัญหาใหญ่กว่าเท่าขันห้า นะปัญหาเรื่องอบายภูมิก็ไม่ได้เป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมปัญหาเรื่องมนุษสภูมิก็เรื่องใหญ่โตเหมือนกันแม้กระทั่งการตั้งสร้างโรงพยาบาลก็เพื่อสร้างอะไรก็เพื่ออะไ ร, ะไรก็เพื่อซ่อมขันท่าวิชาร่ําเรียนก็เพื่อเรียนขันท่าในโลกนี้วิจารณตรงๆเลยนะวิชาที่ต้องเรียนทั้งหมดคือขันท่าเรียนเรื่องขันท่านี่แหละแต่ว่าโดยรวมๆนะวิชายิ่งชาวโลกโดยมากเรียนเรื่องมหาพูด เรียนมหาพูดซะส่วนใหญ่เลยนะกฎเกณฑ์กติกาเกี่ยวกับมหาพูดทั้งนั้นแหละไม่พ้นมหาพูดหรอกไม่พน้นธาตุดินน้ำลมไฟอยู่เท่านี้แหละอันตรายมากมายเนี่ยนะเกิดขึ้นโดยอาศัยขันท่าอุปัตทวอีกซื่อหนึ่งก็ความหมายว่าอันตรายนั่นเองทีนี้คำว่าว่างเปล่าว่วางเปล่านี้ใครจะทำให้มันเป็นดังที่ตัวเองต้องการเนี่ยไม่ได้ ก็เลยบอกว่าว่างจากความยั่งยืนว่างจากความสุขว่างจากความงามแล้วก็ว่างจากอัตตานะเราเราถ้าเอาเอาชีวิตหนึ่งชีวิตมาตั้งเอาชีวิตหนึ่งชีวิตมาตั้งนะถ้าเราเอาชีวิตใครก็ได้หนึ่งคนมาตั้งเริ่มมองชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลาดับเจริญวัยโดยลาดับเจริญวายนี่แปลว่าอะไรนะโดยศับเนี่ยเจริญบวกเสื่อมอ่ะเเจริญด้วยความเสื่อมไปโดยลาดับ แปล ว, ว่าเสียหายโดยลําดับแม้แต่ภาษาไทยฟังดีมากไกปเจริญไวใช่ไหมไวเจริญก <c oughs> ็แปลว่าเจริญด้วยความเสื่อมเป็นไปโดยลําดับเสื่อมมากเสื่อมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้เมื่อเสื่อมมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยนะในที่สุดก็ก็ตายไป ต, ตายก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บซากศพได้คงทนถาวรอะไรใช่ไหม ในที่สุดในระยะยาวเนี่ยนะแม้แต่กระดูกยังยังไม่เหลือเลยนะแหลกเป็นผุยผงไปหมดเลยถามว่าชีวิตตั้งกระเริ่มต้นจนตายขึ้นอื่นพองแล้วกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดของรูปรขันเนี่ยแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็อาศัยอโครงสร้างอันนั้นแหละเกิดขึ้นเนี่ยจะยั่งยืนอะไรไหมไม่ยั่งยืนแล้วก็พัน จึงไม่มีความยั่งยืนอยู่ในตัวเองเลยแล้วก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ในในตัวนั้นเลยก็ไม่มีความงามอยู่ในสิ่งนั้นโดยแท้จริงเลยแล้วก็ไม่มีอัตตาหรือไม่มีใครอยู่ในนั้นนะท่านผู้ที่พิจารณาดูกองทุกข์เนี่ยนะกองทุกข์ล้วจะเห็นแต่สภาพแบบนี้แหละคิดพิจารณาใครครวญยังไงก็จะมีอยู่แค่นี้แหละ ทุกครั้งอ่ะ น, นะกนน็คือเต็มไปด้ปวยอุปัตถวหาความเที่ยงความยั่งยืนความสุขความงามและอัตตาไม่ได้เลยนี่นะต น, นี้ก็คือวิเคราะหนะ์โดยศับนะโดยโดยสัแต่โดยศัพ์นี่ทําให้เข้าใจความหมายเพราะคำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความหมา ย, ยานั้นก็จะเข้าใจความหมายของทุกจริงจริงนนะแต่การคิดถึงคำ ว, ว่าทุกเนี่ยจะต้องมองตั้งแต่เกิดจนถึง กระดูกแหลกเป็นผงอ่ะนะจึงจะเห็นชัดแต่ถ้ามองแค่ขณะเดียวถ้าเอาเป็นแค่ขณะเป็นขณะนะถามว่าชีวิตมันน่ากลัวตรงไหนรูปสวยๆเสียงเพราะพาะกลิ่นหอมๆรส อ, อ, อร่อยอร่อยอากาศดีๆเนี่ยนะสุขภาพที่ดีมันน่ากลัวตรงไหนใช่ไมมันจะไม่น่ากลัวหรอกถ้ามองแค่แค่เรียกว่าเจาะแค่เป็นแค่แต่ละขณะเฉยๆนันะ แต่ถ้ามองภาพรวมแล้วค่อยๆซ อ, อยละเอียดยิบล ะ, ยละเอียดละเอียดลงไปจะเริ่มเห็นถึงความไม่เป็นสาระแกนสารจะเริ่มเห็นความเรียกว่าหน้าเกลียดแล้วก็ว่างเปล่าอย่างชัดเจนแต่โดยศัพท่านบอกว่าทนได้ยากไอ้คำว่าทนได้ยากนี่หมายความว่าอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นเองนะ ทนยากหรือบีบคั้นหรือทนสภาพเดิมไม่ได้ฉะนั้นคําว่าทุกข์ทนทนได้ยากหรืออยู่สภาพเดิมไม่ได้นั้นะประกาศถึงอะไรถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจทุกข์ก็คือเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเช่นสุขเวทนาเนี่ยนะเอขณะที่กําลังได้รับความสุขจะว่าฉันทุกข์ได้ยังไงแต่บอกเที่ยงไม่ล่ะไม่เที่ยงและสิ่งที่ไม่เที่ยงมันสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะรู้ชัดเลยว่าเป็นเป็นทุกข์จริงๆ นั้นทุกขนะนะจาง่ายๆก็คือน่าเกลียดกับว่างเปล่าจําไว้2อย่างนะน้าเกลียดว่างเปล่าเรียกว่าทุกทุกสัตว์ก็คือสิ่งที่น่าเกลียดและว่างเปล่าส่วนสมุทัยแยกเป็น3ามคำสังบวกอุทะบวกอヤะเนี่ยนะรวมเป็นสมุทัยสมุทยะเนี่ยนะสังก็แปลว่าประกอบพร้อมอุทาแปลว่าการเกิดขึ้นอยะแปลว่าเหตุ รวมสับตามวยากรเรียกว่าสมุทยังหรือสมุทยะแปลว่าเหตุคือการเกิดขึ้นแห่งทุกเพราะฉะนั้นโดยศัย์สมุทัยแปลว่าเพราะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกตัวที่ยังทุกหรือตัวที่เป็นเหตุประกอบให้ทุกเนี่ยเกิดขึ้นเหตุที่มันประกอบให้ทุกเนี่ยเกิดขึ้นทุกอันนั้นแหล ะ, เ, ะเหตุอันนั้นแหละเรียกว่า สมุทยัยเนี่ยนะส่วนทุกขนิโรธเนี่ยนะทุกขนิโรธเน้นไปที่นิโรธศัพท์ก่อนนิก็แปลว่าไม่มีนิไม่มีมมเป็นเป็นอุปสรรคกันนะนิไม่มีโรธาปแปลว่าผู้ท่องเที่ยวสงสารหรือเรือนจำอันนิโรธก็คือไม่มีการท่องเที่ยวไปในสังสารทุกข์ก็ได้ไม่มีการท่องเที่ยวไม่ต้องอยู่ในเรือนจาคือ คือะไรคือขันห้าอีกต่อไปก็ได้นะทั้งแปลว่าความไม่มีการท่องเที่ยวไปในสงสารเพราะว่างจากคติทั้งปวงพระนิพพานนั้นไม่ใช่คติห้าคติมีห้านะคตินี้แปลว่าที่ไปที่ไปมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งนรกสองเดรฉานสามเปรตสี่มนุษย์หเทเทวดาพระนิพพานไม่ใช่ไม่ใช่คติห้าฉั้นพระนิพพานนั้นว่างจากคติทั้งปวง ทุกข์นิโรก็คือความดับสนิทแห่งทุกข์ก็คือไม่มีทุกข์อยู่เลย น, นะไม่มีทุกข์เรียกว่าหน้าเกลียด ก, ก็ว่างกล่าไม่มีไม่มีร่วมอยู่กับทันิพานเลยนั่นนิพานนั้นจึงเรียกว่าเป็นความดับสนิทแห่งกองทุกข์หรือความไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงส่วนทุกขันิโรทคาไม่มีปฏิปทานนี่ยนะ ทุกขานิโรธขามินีปฏิปทานนั้นย่อมดําเนินไปสู่ความดับทุกข์เพราะมุ่งหน้าต่อนิพพานนะด้วยอํานาจอารมณ์มักนั้นมีพระนิพพานโดยอารมามะนปัจจัยนะโดยอารมณ์และเป็นปฏิปทาเพื่อความดับดับชาติชรามรณะเป็นต้นดังกล่าวไปนะโดยโดย ความมุ่งหมายเนี่ยนะพระนิปปาริยมรักเนี่ยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมแต่ขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยดับวัตตะดับชาติชรามรณะนั่นนะอันนี้ก็เป็นการเรียนโดยศับเฉยๆนะเป็นการวิเคราะห์สาว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรแล้วก็ทุกขา น, นิโรธาคามิหนีปฏิปทาคืออะไรว่าโดยสรุปก็คือทุกข์ก็คือน่ากเกลียดและว่างเปล่าสมุทัยก็คือเหตุการ์เกิดขึ้นแห่งทุกข์ หรือเหตุที่ทําให้ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมทุกขานิโรธก็คือปราศจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะความสิ้นทุกข์ส่วนมัคก็คือข้อปฏิบัติที่ดับทุกข์แทงตลอดแ ท, ง ต, ดทงตลอดนิโรธหรือตรัสรู้นิโรธอันนั้นแหละเป็นมัคเนี่ยนะอย่าลืมว่าใน3มอย่างเนี่ยนะสิ่งที่ปฏิบัติได้มีอยู่อันเดียวคือมัคขสัตนะเนะี่ย สัจจะที่เป็นสัจจะที่ต้องปฏิบัติเจริญขึ้นมีอยู่สัจจะเดียวส่วนสัจจะที่เหลือมีตามตามอะไรตามธรรมชาตินั่นแหละแต่ถ้าจะกล่าวว่าตามธรรมชาตินะนี่ลบนิพพานอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นแหละถ้าถ้าฟังไม่ดีเหมือนกับว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนเนาะพนิพพานนั่นแหละเหมือนกับว่า การหาความความความหายโรคเนี่ยนะความหายโรคเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเอาพูดถึงการรักษาแบบรักษารักษาคนป่วยใช่ไหมอ้าวคนป่วยมีสมุทรทานให้ป่วยแล้วก็กินยาพอกินยาแล้วหายป่วยไอ้ความหายป่วยนี่ตกลงมีหรือไม่มีมีใช่ไหมถ้ามีมันอยู่ตรงไหน <laughs> มีตรงที่ว่าหายโรคแล้วอะ่ะ นนะก็รักษาโรคจนกว่าจะหายนั่นแหละเรียกว่าหายป่วยแต่ถ้าเราไปพร่ำบน่นโดยที่ไม่มีการรักษาร้องเรียกหาแต่ความหายป่วยนี่เป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้นี่นะท่านเดี่ยวตัวที่สาคัญที่สุดอยู่ที่ทุกขะนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาหรืออยู่ที่ข้อปฏิบัตินั่นเองทีนี้โดยวิภาคะหรือเรียกว่ามีอัดหรืออัดของสัจจะเนี่ยนะ เพราะผู้ที่บรร ล, ลุอริยสัจเนี่ยต้องแทงตลอดอัดอันนี้ถ้าไม่เห็นอัดอันนี้ก็เรียกว่าไม่บรร ล, ลุอริยสัจอัดอันนี้ควรจํำนะควรจำเพราจะได้รู้ว่าถ้าบรร ล, ลุบรร ล, ลุแบบนี้นะเราจะไปบรร ล, ลุที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าจุดที่สุดว่าแต่บรร ล, ลุกับบรรลุอย่างนี้แหละบรร ล, ลุว่ายังไงบรรลุว่าทุกเนี่ยปีรณะเบียดเบียนตัวทุกเนี่ยมัะนเะบียดเบียนเนี่ยบีบคั้นอ่ะนะเบียดเบียนบีบคั้นเนี่ยเอ่า มีชีวิตไหนมัางไม่เบียดเบียนบีบดั้นเนี่ยนะมีไหมเสียงไม่ถูกคนอื่นเบียดเบียนก็เบียดเบียนตัวเองอะนะเพราะมหาพูดมันก็กัดกันเองใชขันห้ามันก็ฆ่ากันเองเพราะฉะนั้นขันห้ามันฆ่ากันเองนั่นแหละจึงมีลักษณะบีบคั้นอันนี้เป็นการเห็นตัวทุกข์ษัตริย์ตรงๆเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยบีบคั้นทั้งหมดนะไม่มีคนฆ่ามันอย่างตายเลยนะที่จริงมนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องทําสงครามก็ตายอยู่แล้วล่ะ งั้นไม่ทันใจนะจะต้องเบียดเบียนให้มันเร็วขึ้นกว่านี้อีกหน่อยให้นตายเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจริงก็จะตายกันหมดอยูแล้วล่ะเพราะขันห้ามันมันมีสภาพที่เบียดเบียนบีบคั้นนะชัดที่เรียกว่าขันห้ามันฆ่ากันเองเลยนะเป็นผู้ฆ่ามันฆ่ากันเองรูปฆ่ารูปมหาพูดหนึ่งฆ่ามหาพูดสามเนี่ยนะมหาพูดสามฆ่ามหาพูดหนึ่งนี่มหาพูดมันเป็นที่ตั้งแห่งภาษาทรูปเป็นที่ตั้งแห่งหัจยะรูป มหาพูดทำลายวัตถุรูปเสียหายวัตถุรูปเสียหายอะไรนามก็เสียหายทันมันทำลายกันหมดนะถ้าเช่นถ้าทาลายตาเนี่ยนะจักคู่ทวารวิถีจะเหลือไหมไม่เหลือถ้าทำลายหูหูแตกทำลายโสตทวารวิถีจิตก็เสียหายหมดแล้วถ้าเสียจมูกเนี่ยนะคานาภาษาธาทิเสียหายไปคานาทวารวิถีก็เสียหายละถ้าหมดลิ้นอ่ะนะไม่มีลิ้นเลย ชิวหาทวารวิถีก็ไม่เกิดแล้วหรือถ้าหมดกายในส่วนนั้นๆนะหมดกายในส่วนนั้นนั้นแบบคนพิการเนี่ยนะถ้าคนพิการขาเนี่ยจะปวดเท้าหมเพราะไม่ปวดแล้วถ้าข า, ขากุดตั้งแต่เสมอเข่าเนี่ยนะไม่มีเจ็บนิ้วเท้าเนี่ยไม่มีเนี่ยนะเพราะว่ากายทวารวิถีในส่วนนั้นๆก็ไม่มีอีกต่อไป พ่อคันท่ามันมีลักษณะเบียดเบียนบีบคันอนะจำไม่ง่ายๆคิดถึงใครก็เออเบียดเบียนมาแล้วเนาะนั่นแหละตัวเบียดเบียนละเชื่อเถอเออนึกถึงอะไรม้างมันไม่เบียดเบียนเอามีไหมเกิดตั้งแต่เกิดมานะอารมณ์ที่เรานึกถึงแล้วมันไม่เบียดเบียนเลยนะหนึ่งไม่เบียดเบียนตัวเองอ่ะนะไม่เบียดเบียนตัวเองเลยนะมีไหมเคยเห็นไหมไม่มีดอกไม้สวยๆมันยังเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนว่าไง ตกลงมันเบียดเบียนกันว่าเป็นยังไงดอกไม้สวยสวยมันเฉาเป็นไหมล่ะถ้ามันเฉาเป็นก็แสดงว่ามันเบียดเบียนตัวเองถึงเราไม่ต้องไปเบียดเบียนดอกไม้นะต้องการจัดให้มันสวยในที่สุดดอกไม้มันสวยตามเดิมไหมก็ไม่ตามเดิมหรอกเพราะมันเพราะสภาพของทุกๆุกชนิดนี้มันเบียดเบียนบีบคัน อันนี้ก็ทุกขลักษณะเลยนะทุกขลักษณะเลยส่วนอันปัจจัยปรุงแต่งนนะทุกทั้งหมดที่เบียดเบียนบีบคันนั่นแหละถูกปัจจัยปรุงแต่งถามว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้จะยังถึงอะไรยังถึงอะไรทุกทั้งหมดเนี่ยนะมันเบียดเบียนการเบียดเบียนเนี่ยมันถูกปัจจัยนะจ้างขึ้นอันนี้เห็นอะไร สมูทัยทุกมันไม่ได้เกิดลอยๆใช่ไหมมันมีเหตุเป็นแรนเกิดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าทุกเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นนะมันถูกปัจจัยเนี่ยแต่งมันขึ้นจริงไงปัจจัยก็คือทุกอีกชนิดหนึ่งนั่นแหละทุกสร้างทุกนะเพรา ะ, ะนั้นไอการเห็นปัจจัยนั่นแหละเรียกว่าเห็นสมูทัยทเรียกว่าอันปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะสังคตัดโถเนี่ยปัจจัยปรุงแต่งนั่นแหละเรียกว่าการเห็นสมูทัย ทุกที่บีบคั้นอันปัดใจปรุงแต่งเป็นตัวที่เร่าร้อนเนี่ยนะตัวข้ามันเองเนี่ยเป็นตัวเร่าร้อนแสดงว่าคนที่รู้ว่าทุกข์ร้อนเนี่ยนะเหมือนกับว่าโอ้โแดดตรงนี้มันร้อนเหลือเกินเนี่ยคนนั้นเราต้องคิดนะว่าทาไมเขากล้า บ, บน่นว่าแดดตรงนี้มันร้อนเพราะอะไรเขาบอกอาหารอันนี้นะมันไม่อร่อยเอามากเลยนะแสดงว่าเขาเอาอะไรมาเปรียบ อากาศตรงนี้ทําไมร้อนจังเลยแสดงว่าเขาคิดที่อื่นถึงที่อื่นที่มันเย็นกว่าใช่ไหมเขาจึงบ่นคําว่าร้อนขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดมามันร้อนตลอดนี่เขาจะพูดคําว่าร้อนไหมไม่พูดเทอมท่านอะไรอ่ะที่มันตรงกันข้ามกับความร้อนอ่ ะ, อะทุกนี้มันเล่าร้อนท่านบอกว่าเห็นมักที่เย็นทุกเนี่ยร้อนมักเนี่ยเย็นก็ ก็ถ้าใครผู้ใดเพลิดเพลินไปกระกองทุกเนี่ยถามวอร้อนหรือเย็นก็ร้อนแต่ถ้าเจริญมรรคอริยมรรคเกิดเนี่ยนะก็เป็นความเย็นังนั้นท่านบอกว่าถ้าเห็นทุกสันคือสันตาปณะเนี่ยนะธรรมชาติที่เร่าร้อนก็จะเห็นมรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นตัวที่นําออกจากทุกขเนี่ยเริ่มเย็น น, นะเป็นธรรมชาติที่เย็นแล้วก็สุดท้ายวิปริณัมมะ วิปริณามัทโธเนี่ยนะแปรปรวนแปรปรวนนั้นถ้าเห็นว่าความแปรเนี่ยต้องสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแปรคืออะไรก็ไม่แปรอะไรไม่แปรพนิพานไม่แปรไม่ใช่แปรตรงกันข้ามกับความแประคือนิพาณนั้นถ้าในในอัตทั้งสี่ประการเนี่ยนะอย่างเช่นข้อแรกนะผู้ใดเห็นว่า สภาพมันบีบคั้นอันนั่นแหละเห็นทุกขสัจจะอันปัจใจปรุงแต่งอันนั่นแหละเห็นสมุทยัทยสัจจะเห็นว่าทุกนี่มันเป็นตัวร้อนเพราะเห็นว่ามรคนี่เย็นแต่บอกว่าทุกนี่มันแปรปรวนมันไม่เที่ยงอ่ะแสดงว่าเห็นพระนิพพานที่เที่ยงพ้นก็เห็นอริยสัจ ท, ทั้งสี่นะถ้าแทงตลอดอันใดอันหนึ่งน่าจะแทงตลอดทั้งสประการานั่น ก็ให้รู้ว่าเออบีบคั้นปัดใจปรุงแต่งเป็นของเร่าร้อนแล้วก็แปรปรวนดูในปฏิสัมพิธาเล่ม68ดนะเนี่ยนะหน้าสามร้อยสองถึงสา3้อสามเนี่ยจะทธิบายถึงแต่ละอย่างปีละนัดโถตัวนั้นเนี่ยนะมันต่อประตักกับมันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสองตัวเลยนะ ปีลนโธเนี่ยเขาเขาไม่เขียนอย่างนี้นี่ยมันมีวิธีเขียนอัถะอยู่สองความสองอย่างโอ๋อันนี้อะไรเขาก็ไม่ให้เลย <c oughs> เห็นเมื่อวานพูดเลิกช้าปะอันเขียนอย่างนี้ก็ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฉนเคยสังเกตนะครับว่าอักฐกถา สามารถเขียนอย่างนี้ก็ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้ น, น่มันสามารถเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อนนถ้าเขียนแบบไทยถ้าเขียนแบบไทยจะเขียนอันนี้อันนี้เขียนแบบไทยไทยแล้วแต่ถ้าบาลีเนี่ยอันนี้ก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกมันแต่ว่า เท่ากับจะบอกว่าถ้าเขียนอย่างนี้มันผิดจะนะบอกคํานี้ะนะก็แก้ให้มันเป็นอย่างใดก็ได้แก้ตัวหน้าถ้าแก้ตัวหน้าก็ต้องแก้ให้เป็นอแก้ให้เป็นต่อเต่าถ้าแก้ตัวหลังต้องแก้ให้เป็นท่อสันฐานก็อชอบอันไหนก็แก้เอาก็แล้วกัน เห็นแล้วใช่ไหมให้แก้ที่ไหนอาจารย์สอนรู้แล้วใช่ไหมที่พูดเนี่ยันที่ไหนในข้อสองะนะวิพากันนะเห็นไหมปีละนะโถสังคตัดโถสันตาปะนะโถเนี่ยนะสันตาปัสันตา ป, ตาปะนะโถนะต้องตกนหนูไปอีกตัวหนึ่งปนะเนี่ยสันตาปนะเนี่ย สามตาปนัทโถโแล้วก็วิปรินามโถเห็นไหนก็แก้ให้มันเป็นต่อเต่ากับตอ่อเต่ากับทอถุงก็ได้หรือว่าต่อประตักกับทอสันฐานก็ได้สองตัวตัว พ, พ, พ, พยันชนะสองตัวสุดท้ายเนี่ยนะก็คือมันแปลว่าอัฏฐะนะมาให้มันแปลว่าอัฏถะก็แล้วกันแก้ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ในปฏิสัมพิธานนี่นิยมตัวล่างต่อประตักกับต่อสั้นฐานเนี่ยนะในคำพีปฏิสัมพิธามักท่านพิมพ์แปดนั้นแต่ก็ถูกทั้งคู่ไม่ไม่ผิดอะไรเขียนอย่างนี้อ่านถูกแต่ว่านักพยายชนะไม่รู้จะเข้าใจถูกหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> จริงก็เขามาผิดเพราะว่าเขาให้ไปตรวจมกมาก็นึกว่าผ่านเรียบร้อยหมด เลยมาแก้ในชั้นเรียนเลยก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าทําให้มันหกแล้วก็ช่วยกันเช็ดสรุปแล้วนะว่าถ้าเห็นนะว่าปีละนะข้อแรกนะปีละนะใช่ไหมบีบคั้นน่ะเนี่ยหมายถึงเห็นตัวทุกขศัพท์เลยอันปัจจัยปรุงแต่งสังคตะตัวนั้นหมายถึงเห็นสมุทยัยสัตว์สันตปาณะเร่าร้อนเนี่ยแสดงว่าเห็นมรรคสัตว์แปรโปรย ว, วิปริณามะอันนี้เห็น นิโรสัจจะเนี่ยนะก็เห็นสัจจะสี่นั่นเองทีนี้มาดูสมุทัยสัจจะบ้างอายุหณนะอายุหนะนี่ประมวลมาประมวลอะไรมาที่มาเนี่ยนะที่เรามาทั้งหลายแล้วเนี่ยมาเนี่ยถ้าใช้คําว่ามาเนี่ยตอนไหนยังเรียกว่ามาตอนเดินมานั่งหรือเรียกว่ามาตอนปฏิสนธิ่นนะที่มาเนี่ยนะที่มาก็มาตอนปฏิสนธิเนี่ยอะไรให้มา ตัวไหนอ่ะตัวประมวลให้เราปฏิสนธิอ่ะตัวนั่นแหละเรียกว่าอายุหันะตัวที่ประมวลให้มาปฏิสนธิเนี่ยนะตัวนั่นแหละเป็นสมูทยัยคือคือขันห้าของเราเนี่ยนะมันมีทั้ง6ทวารตันหาทตรูปประตันหาเนี่ยประมวลอะไร ประมวลตาสัตธาตันหาประมวลโอคันธาตันหาประมวลจมูกกระส่าตาตันหาประมวลลิ้นโพธภาตตันหาประมวลกายธรรมะตันหาประมวลใจแล้วก็แล้วแต่ละแห่งแต่ละแห่งอ่ะสรุปว่ามันประมวลให้วิบากกรรมชรูปเกิดขึ้นอ่ะนะอันนี้คือตัวสมุทยัยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาในฐานะเป็นเหตุใช่ไหมเหตุที่ประมวลมาเหตุก่อร่างสร้างทุกข์ขึ้นอ่ะนะ อันนี้แหละเรียกว่าอายุหนะแต่ที่อื่นเนี่ยหมายถึงกรรมกรรมก็ลักษณะเขาก็ประมวลมาเหมือนกันแต่ในที่นี้เน้นไปที่ตัณหาว่าธรรมชาติเขาเนี่ยประมวลมาผลของเขาก็คือประมวลทุกข์ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นเหตุมอบให้ซึ่งผลนิทานเนี่ยแปลว่าเหตุที่มอบผลให้ได้นะเรียกว่าเป็นผู้มอบให้นะอ่ะ เช่นมอบอะไรเคยมอบอะไรให้ไหม ล, ลักษณะการมอบให้ไอตัวที่มอบให้นั่นแหละเรียกว่านิทานนัทโธปัญหามอบอะไรให้ถ้าเห็นว่าโอ้โหนี่มีผู้มอบอะไรนะของขวัญให้มาเนี่ยนะอันนี้มอบอะไรให้ควรจะเห็นสัจจะอะไรทุกขศตัตดนะิ์เนี่ยนะันทุกคนนี่ถูกตัญหามอบให้มากันหมดเลย แอย่าว่าเราเลยโดยที่สุดพระพุทธเจ้าตอนชาติสุดท้ายก็ตัณหานะี่ยมอบให้เกิด อ, อ้าวได้เวลาเกิดแล้วเหมนกันมนถ้าบอกว่าเห็นนิทา น, นัทโถเนี่ยหมายถึงเห็นตัวทุกข์เนี่ยนะว่าเพราะทุกข์ทั้งหลายนี่ถูกตัณหาเนี่ยมอบให้มามันถ้าเห็นว่าตัณหามอบก็มอบทุกข์นั่นแหละมันถ้าเห็นนิทาน น, ทานนิทานัทโถก็คือเท่ากับเห็นสมุทเห็นทุกขสัตว์นั่นะ เพราะว่าเมื่อมีมอบมันต้องมีสิ่งที่รับมอบใช่ไหมสิ่งที่รับมอบนั่นแหละเป็นทุกข์สัตว์แล้วบอกว่าสังโยคะเนี่ยนะประกอบไว้ประกอบว่ามันเป็นยังไงก็บอกเหมือนขันนอตเอาไว้นั่นแหละท่านบอกว่าตัณหาเนี่ยนะมันเป็นตัวประกอบไว้สิ่งที่ไม่ประกอบมันแล้วมันหลุดเลยเนี่ยคืออะไรอันนั่นแหละเป็นนิโรธ นิโรดนี่แหละเป็นสภาพที่ไม่เกี่ยวข้องอ น, นะหมายความว่ามันคลายเรียบร้อยแล้วใช่ไหม น, นะไม่ถูกน็อตขัด น, นะเพราะคลายเสร็จแล้วอนะอนถ้าหากว่าเห็นตันหาเนี่ยเป็นตัวที่ประกอบไว้ก็แสดงว่าเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการประกอบไว้อันนั้นคือเห็นนิโรดต่อไปว่าปริโพอดสมูทัยเนี่ยนะมันปริโพอด ที่เรารู้ว่าตันหาเป็นตัวปรโพศเนี่ยแสดงว่าเห็นสิ่งที่ไม่ปรโพศใช่ไหมอะไรอะ้ถาถ้าคนที่เจริญวิปัสสนามามากๆเนี่ยรู้ชัดเลยอันนั้นอย่างเช่นในการพิจารณาอารมณ์นะถ้าเห็นอารมณ์โดยความเป็นของสวยงามเที่ยงดีชมในอารมณ์นั้นตลอดเนี่ยถามกังวลไหมกังวลนแต่ถ้าบอกว่าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นตจา ก, กังวลกับสิ่งนั้นห ไม่กังวลเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเห็นเห็นว่าตันหาเนี่ยเป็นตัวที่กังวลจริงๆอันนี้เห็นถ้าก็เห็นมักกะสัดที่ปราศจากความกังวลเพราะการผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยกังวลในขันท่าไหมไม่กังวลเนี่ยนะเพราะปัญญานี่ไม่กังวลในขันท่าโดยประการทั้งปวงซึ่งตรงกันข้ามกับตันหาที่กังวลแล้วกังวลเล่าอนะไปไหนมาเน้อถายไปไหนน้อเนี่ยพวกตันหาเนี่ยมันกังวลแบบนั้นนะนะ แต่ถ้าวิปัสสนามนะโอ้ยอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละมาก็ไม่เที่ยงไม่มาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละปันถามาจะกังวลไม่มักอ่ะวิปัสสนาไม่กังวลแต่ตัญหาไม่ใช่ทําไมเขาไปไหนเนาะทําไมเขาไม่มาทําไมไม่ติดต่อมาหายไปไหนตั้งหลายวันอย่างเงี้ยนะไอ้พวกนี้แหละลักษณะของตัญหาเขาละแต่ถ้ามักนะบอกโอ้ยอยู่ที่ไหนก็ช่างเออมันก็ขันท่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นแหละเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝี อยู่ที่ไหนมันก็ฝีเดินได้นั่นแหละถามกังวลไหมไม่กังวลแต่แต่ทําไมเราชอบกังวลน่ะแสดงว่าชอบเจริญบันถามมากกว่าเจริญวิปัตนานะตัวการกังวลมากหรือไม่กังวลมากรู้เลยว่าปริญญาอ่อนหรือว่าปริญญาแข็งเออเออ ทำมันแกงคิดถึงใครมากกันนั้นแหละ